ก็วันนี้เป็นวันธรรมสวรณะนะเป็นวันพระต า, ามบุติเป็นวันที่วันแปดค่ำสิบห้าค่ำชาวบ้านก็จะออกม า, าร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกันเหมือนกับครั้งสมัยก่อนๆคือมารักษาศีลมาฟังธรรมมาเจริญภาวนาตามบ้านนอกของเราอย่างมีธรรมเนียมนี่อยู่นะนันก็เป็นอ่า อาธรรมเนียมที่ดีถ้าหากว่าชาวพุทธของเราทั่วไปได้ทำหน้าที่อันนี้โดยทั่วไปก็จะทำให้สถานการณ์ทางพุทธศาสนาของเราดีขึ้นดังนั้นในสมัยใหม่ที่ทำให้ชาวพุทธของเราต้องหดหายไปจากวัดว่าอารามก็เพราะว่า บุตบาทของพระที่อยู่กับวัดเนี่ยไม่สามารถที่จะชักจูงญาติโยมเข้าวัดได้เพราะว่ายังไม่เห็นความสําคัญของของวัดเพราะไม่เห็นประโยชน์นะนั้นเดองวันนี้ชาวบ้านของเราออกมารวมปฏิบัติมันให้กําลังใจซึ่งกันและกัน <c oughs> แล้วก็ทางวัดธรรมแสงเทียนของเราก็ได้ก่อสร้างมาโดยอาศัยแรงของชาวบ้าน เป็นตัวช่วยเรียกว่าส่งเสริมช่วยดูแลรักษาและป้องกันอะไรต่างๆมาตลอดก็พึ่งพากันนะเพราะนั้นวันนี้ที่เราทำกิจกรรมตรงรับน้ำปนานะก็ได้ฟังอาจารย์สุพีซึ่งก็อยากจะ้ทราบ ว, ว่าหลายท่านฟังแล้วเป็นยังไงเข้าใจไหมนะเพราะว่ามาก็พยายามเลือกเอา ผูบาอาจาที่ <c oughs> พูดในลักษณะที่เป็นสัมมาสติและส ม, มาธิฏฐิเนี่ยมาให้ฟังใครก็ตามที่พูดในแนวของสัมมาสติส ม, มาธิฏฐิก็จะเอามาช่วยกันประกอบขยายให้ความเข้าใจเนี่ยชัดเจนขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการเจริญสติเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็น เอาว้ต่พระธรรมธรรมที่ต้องเป็นมักที่ต้องเจริญเปิดประตูเรียมักที่ได้มาฟังแล้วมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะนําเสนอและขยายให้ชัดเจนก็คือ <c oughs> เรื่องของคาว่ามีผู้ปฏิบัติคนหนึ่งพูดถึงถามถึงเรื่องของนิพพานปฏิบัติว่าชาวบ้านถามว่าชาวบ้านเนี่ยซึ่งไม่ใช่นักบวชเนี่ยมีโอกาสจะไปถึงนิพพานไหมเนี่ย อันนี้เป็นเป็นความคิดเป็นความเชื่อแล้วเป็นความเข้าใจในการใช้ภาษายังไม่ถูกตรงว่านิพานเป็นสิ่งต้องไปถึงแต่ความจริงมันไม่ใช่นิพานเป็นสิ่งที่ต้องทำให้มันเกิดให้มันแจ้งให้มันสว่างในจิตในใจเพราะนิพานมีนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะต้องสร้างดวงตาขึ้นมาให้เห็นเนี่ย ซึ่งตอนเช้าเราก็รูปเขาว่าปกตินะปกติตัวปกตินะั่นคือตัวนิพพานแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่เห็นเราจึงไม่เชื่อว่าตัวปกติของจิตเนะี่ยมันเป็นนิพพานปกติแบบไหนนะปกติแบบไหนจิตที่ปกติวิจิตที่มัน <c oughs> ไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีไหมจิตแบบนั้นในบางครั้งมางคราวมีไหมสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มี เชื่อว่ามันสบายก็ไม่ใช่ไม่สบายก็ไม่เชิงเชื่อคิดก็ไม่มีไม่คิดก็ไม่มีแต่ภาวะเหล่านี้มันมีอยู่เป็นประจำแต่เราได้เห็นมันไหมไม่เห็นไม่แจ้งเราก็จึงไม่เห็นพานิพานตรงนั้นเพราะฉะนั้นหมวงพอเทียนคือชาคําว่าปกตินี่นแหละเป็นชื่อของนิพานนะนั้นนั้นคําว่าปกติเป็นชื่อของศีลด้วยเป็นชื่อของสมาธิด้วยเป็นชื่อของปัญญาด้วยปกติ แต่เรามองข้ามไปมองข้ามตัวปกติตรวนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่มันทำไ้มันตื่นมันเขินมันงาน่ายมันน่าไม่น่าจะใช่ซึ่งเรื่องนี้เรามากักจะเรียกว่าได้รับการได้รับยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์การใช้สั์ใช้แสงการตีความการาพูด บรรยายขยายความถึงพุทธธรรมเนี่ยให้มันเกิดความซับซ้อนในหลากหลายให้สีสันต่างๆจนเราเกิดความสับสนและมองข้ามภาวะของจริงไปเพราะว่าเราฟังอาจารย์แต่ละคนหรือนอ่านหนังสือขยายประเด็นจนเรียกว่ามันมันคลุมไปหมดเราถ้าหากว่าเราไม่มีหลักเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะจับประเด็นได้ว่าอันไหนมันใช่อันไหนไม่ใช่อันไหนมันถูกหรือมันผิด ยานั้นเบื้องต้นที่สุดเนี่ยเราต้องมาจับหลักนี้ให้ได้สัก่อนจับหลักว่าตัวที่จะนําไปสู่ตัวมรรคผลนิพพา น, เ, นเป็นอย่างไรกันแน่จับหลักตรงนี้ให้ได้ก่อนรู้ทิศทางที่ถูกต้องคือรู้หลักของมรรคมีองแปะสัก่อ น, นที่มรรคต้องทําให้เจริญเนี่ยหมายความว่าท่านบอกวิธีไว้แล้วอนิพพานเป็นสัจจิก กตณธรรมธรรมที่จะต้องทำให้แจ้งทำให้ปรากฏไม่ใช่ธรรมที่จะต้องไปถึงนะขอให้ถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตการเบิกหน้าอ น, น, นุทืนวลาเราเก่าคำถวายทานมันกลายเป็นธรรมเนียมเป็นภาษาที่เป็นวัฒนธรรมไปแต่ว่าในหลักท่านบอกว่านิพพานนิพพานะสัจจ ก, การน์ถ่ายเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งอืมหมายความเพื่อทำพระนิพพานให้ชัดเจนให้ปรากฏมีขึ้นนะ นั่นหมายความภาวะที่ปกติที่เป็นนิพานมันมีอยู่แล้วแต่เรามองมันยังไม่แจ้งมองยังไม่ชัดมองยังไม่เข้าใจในภาวะที่เป็นอยู่นั่นจึงถามว่าในบางวันบางขณะเนี่ยจิตของเราที่ปกติเนี่ยมีอยู่แล้วใช่ไหมว่ามีอยู่แล้วที่จิตมันไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดีไม่ชั่วไม่เศร้าหมองไม่บุญไม่บาปเนี่ยแต่ว่าเราเคยดูมันแจ้งแจ้งดูมันชัดชัดไหมะปรากฏชัดไหม อภาวะเนี้ทําให้ปรากฏชัดอยู่เสมอเสมอจนกระทั่งว่าให้มันเป็นอารมณ์เขาเรียกเอานิพานเป็นอารมณ์ะเ อ, เอ๊ถ้าว่าคนธรรมดาเนี่ยจะหน่วงเข้ามาเป็นอารมณ์เนี่ยค่อนข้างยากเพราะอะไรเพราะจิตเนี่ยมั น, นยังขึ้นขึ้นลงลงด้วยความอยากอยู่มาก <c oughs> จนกระทั่งว่าเรามาเจริญสติแบบนี้จนได้ดวงตาเห็นะได้ดวงตาเสียก่อน ในการมาทำความเพียรเนี่ยเพื่อที่ให้เกิดดวงตาเห็นในภาวะปกติของเราเนี่ยถ้าหากว่าเรายังไม่ได้มาเจริญสติสมาธิปัญญาเนี่ยถามว่าเรามีดวงตาไหมมีแต่ว่ามันยังไม่เปิดนะดวงตาไม่ได้เหมือนเปิดม้นตาเด็กๆที่เกิดใหม่ๆเนี่ยมันยังมองแสงอะไรใจจ้าไม่ได้ ต้องโตขึ้นมาสักระยะหนึ่งสามารถมองแสงอะไรก็กล้าได้ใจเราก็เหมือนกันใจที่ยังอ่อนเยาว์ใจที่ยังไม่เผชิญต่อความจริงของอสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมองออกนอกใช่ถ้ามองกลับเข้ามาในเนี่ยมันจ้าเกินไปเหมือนแสงพระอาทิตย์เวลาเราลืมตามองแสงพระอาทิตย์เนี่ยเราไม่กล้ามองเต็มที่เพราะมันแทนตาน แต่ถ้าหากว่ามองลบไปทางอื่นนี่ได้อยู่แต่ความจริงที่ปรากฏในตัวเราเนี่ยมันเป็นความจริงเหมือนแสงพระอาทิตย์ความจริงอยู่ในปรากฏตัวเรามีอะไรบ้างทุกข์เรากล้า ม, มองมันไหมมัน ส, สว่างสวยอยู่ตลอดเวลาความทุกข์เนี่ยมันไม่เคยดับเราก็ไม่เคยกล้า ม, มองเลให้มองทุกข์ต้องรู้ต้องเข้าใจต้องให้ดูต้องให้มองต้องให้ศึกษาใช่ทุกข์ต้องให้มองสองเหตุของมัน เรามองเข้าไปจริงๆเดียเหตุของที่มันเกิดเป็นทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยเราเคยเคย้นคว้าเคยศึกษาเคยเข้าไปดูมันแล้วเคยละมันได้บ้างไหมในเหตุของทุกข์อันนี้ก็เป็นความจริงที่ต้องเข้าไปละอันที่สามการดับทุกเนี่ยต้องทำให้เรีวยกว่าเหตุของทุก์ต้องประหารต้องล ะ, ะแต่ตัว ที่เป็นนิโรธเนี่ยต้องอเป็นสิ่งที่ต้องทําให้ปรากฏนะนิโรธทําให้แจ้ง น, นิโรธก็คือนิพานเนี่ยนิโรธกับนิพานเนี่ยเป็นอันเดียวกันนะนิโรธทําให้แจ้งนิพานทําให้แจ้งแล้วก็ตัวมักทําให้บ่อยๆทําให้มันเจริญทําไมมันมากๆ ถ้าหากมันไม่ทําบ่อยๆทำไม่มากมันไม่สว่างมันไม่เกิดแสงสว่างเพราะงั้นต้องดูบ่อยๆต้องทําบ่อยๆสิ่งที่เราทําบ่อยๆนั่นแหละเราทแปดอย่างหนึ่งทำความเข้าใจในสิ่งที่เราเห็นเรารู้เข้าใจต้องทําความเข้าใจบ่อยๆต้องเจริญบ่อยๆสองความคิดที่เราคิดเรื่างสมาสังกปปะเนี่ยการคิด แต่ว่าที่ทําบ่อยๆเนี่ยที่ว่าสำมาทิฏฐิต้องทําบ่อยๆคือดูสี่อย่างทุกสมุทยัยนี่โดดมากเลยดูบ่อยๆซึ่งเมื่อก่อนสมัยที่มาฟังธรรมหลวงพ่อเทียนมีอยู่ช้าวันหนึ่งหลวงพ่อเทียนพูดถึงเรื่องปฏิสุบัติทีนี้มาฟังแล้วเนี่ยฟังภาษาท่านไม่ออกฟังแล้วสงสัยว่าเออหลวงพ่อคนละเรื่องเลยภาษาที่เป็นปฏิสุบัติของหลวงพ่อเนี่ย ว่าตามภาษาตำราก็บอกอภิชากรเกิดสังขารใช่ไหมที่ที่หลวงพ่อว่าปฏิสุบทัทอาศัยการและกันเกิดขึ้นปฏิสุบัทก็คื อ, อเวลาเวลาเราคิดปฏิสุบัทมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเวลาเราไม่คิดปฏิสุบัดมันก็ดับไปแล้วมันเป็นไฟดับ ไอ้ทำไมมันง่ายอย่างนั้นนะไอ้ตำราบอกว่าวิชาก็เกิดสังขารสังกสก็เกิดวิญญาณขึ้นไปนู้นโสกะปริเทวทุกขโทมนานุสะอะไรไปยาวเฟื้อยอะไรทั้งสิบสองอย่างแต่หลวงพ่อว่าเวลาเราคิดปฏิสุบบาทายสมุทัยก็เกิดเมื่อไรเราไม่คิดปฏิสุ่ายดับทุกข์ก็ปรากฏเหมือนกนทีนี้มัรก็สงสัยพอท่านเลิกจากธรรมวัฒชาไปแล้วมรก็ถือสมัยนั้นมีเทพเล็กนะก็ถือเทพตานขึ้นไป ว่าขอร้องท่านว่าหลวงพ่ออยากจะให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องปฏิสุบะใหม่เตรียมที่จะอัดด้ยนะท่านถลึงตาใส่เลยนะชักไม่แน่ใจว่าไอา้ท่านหลวงพ่อโกรธหรือเปล่านะทะลึงตาใส่อ่าเดี๋ยวนี้ปฏิสุบะอยู่ที่ไหนชี้ล้ว เ, เห็นไหมเนี่ยขณะเนี้ปฏิสุบะมันจะต้องเป็นขณะนี้เร็วนี้เหมนะมันไม่ใช่ในตำลาเามือนนะตำลาที่ว่าอิชาก่อยเกิดสังขารแต่เดี๋ยวนี้ท่านรู้ไหมว่ามันมันเกิดที่ยังไง อันม า, า, งงาก็งงเพรพะจี้ตรงๆอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้อธิบายมากท่านก็บอกว่าเมื่อใดเราไม่รู้สึกตัวนั่นแหละส ม, มุทยัยทุกตั้งแต่วิชาไปถึงนู่นสิบสองอย่างมันเกิดแป๊บเดียวแค่ลักธิมือเท่านั้นเองแต่เมื่อใดได้สติปั๊บเนี่ยวิชามันก็ดับวิชามันก็เกิดปฏิสุบะ ท, ทั้งหมดมันก็เพียงเป็นคำพูดที่ต่อเนื่องกันมา อธิบายในภาวะที่เป็นประมทาทนั่นเองอธิบายกี่หน้ากี่เล่มก็ก็แค่ลักในมือเดียวเียความหมายมันเนพะราะนั้นแล้วว่าเอาปฏิสุบะ ท, ที่เป็นของจริงซึ่งที่อยากจะเน้นเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดวันนี้มาเผื่อไปเปิดโทรศัพท์ดูนาฬิกาสายเข้ามาพอดีมีนายตำรวจคนหนึ่งจาบ ฮานีตำรวจจังหวัดสตูล เ, เป็นพันตำรวจเองเขาบอกเขาเป็นสารวัตรอยู่นั่นเขาบอกว่ า, าพรุ่งนี้ผมจะปบรรยายที่นั่นหลวงพ่อผมอยากจะถามเรื่องปฏิสุบะและอิทธิป ย, ยตาเนี่ยมันต่างกันอย่างไรมาบอกว่าตอนนี้ไม่มีเวลาเพราะเป็นเรื่องกําลังดิ้ชีสอยู่เดี๋ยวตอนไหนว่าหลวงพ่อโทรก็มาเนี่ยยังไม่ได้โทรกลับไปเลยเนะีว่าจะพูดเรื่องให้ส่งให้เขาฟังน ะ, <laughs> ะเป็นเรื่องที่ เขาเขาติดตามงานมาตลอดเพื่อน่ะแต่ติดตามมาแล้วก็มีปัญหาแล้วก็โทรมาถามในตำรวจคนนี้ก็เลยว่าอยากจะทําเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่าพูดกันบ่อยนะพูดกันบ่อยว่าปฏิสุบาตปฏิสุบาตกับอิทธิปยาตาที่ต่างกันยังอิทัพปัจจยาตาซึ่งเรื่องนี้โดยภาษาปฏิบัติแล้วเราจะเข้าใจอย่างไรภาษาปริยัติเราจะเข้าใจอย่างไรถึงจะสอดรับกัน ภาษาปริยัติก็คือในตัวอิทัิปัญยาตานั้นหมายถึงเป็นโครงสร้างทั้งหมดทั้งจักรวาลเพราะมีอันนี้อันนี้จึงเกิดทั้งวัตถุทั้งนามธรรมาเนี่ยอาศัยการและการเกิดขึ้นนะสมมติหลวงพ่อพุทธทาสเคยยกตัวอย่างบอกว่าชายคนหนึ่งขับรถไปฝนมันตกฝนตกหนักเมื่อฝนตกหนักไอ้รถมอเตอร์ไซค์ที่ขับไปเนี่ย มันมีรถอีกคันหนึ่งวิ่งสวนทางมาวิ่งด้วยความเร็วเมื่อวิ่งความเร็วปั๊บรถมันก็สาดน้ํามาใช่ไหมน้ํามันขังน้็เป็นแผ่นมาเลยไอมอเตอร์ไซค์นี่ก็หักหลบนะหักหลบน้ําที่มันจะมาตีหน้ามอเตอร์ไซัหกหลบ ก, ก็ลงถนนไปเลยนะทีนี้ท่านก็ยกกรณีขึ้นมาว่าตรงเนี้ยเป็นอิทัิประโยชตาหรือเป็นปฏิสูบาทนะเป็นอิทัิประโยตาตรงไห น, นก็เพราะว่าชายคนนี้บอกว่าที่ รถมันแอกตกถนนลงไปเนี่ยเพราะมันมีอีกรถคันสวนมาโดยเร็วเป็นเหตุแล้วก็สืบต่อไปว่าเพราะเรากลัวว่ารถนั้นมันจะมาชนเพราะเรากลัวว่าน้ําที่รถอีกคันหนึ่งมันตีมาเนี่ยมากระแทกเราแล้วห ล, ลบหรือเพราะว่าฝนมันตกถนนมันลื่นแล้วทําให้ต้องน้ำนั้นมันตีกัน เขาจะไปมองเหตุปัจจัยเพราะมีสิ่งนี้เพราะมีฝนตกเพราะมีฝนตกน้ําจึงไหลเพราะน้ําไหลรถคันหนึ่งจึงมาแล้วก็ทําให้น้ํากระทบเราแล้วเราจึงกลัวน้ําเหตุต่อกระทบกันมาเรื่อยๆจนเป็นเหตุให้รถต้องล้มเราได้รับบาดเจ็บเพราะมีเหตุปัจจัยต่อเนื่องเกิดมาย้อนไปตั้งแต่นั่นตั้งแต่เพราะฝนตกเพราะมีเมฆเพราะเมฆเพราะก่อรวมตัวกันไปยาวยืดเลยอันนี้เขาเรียกว่ากุฎิทัปยตายาวยืดออกไปเรื่อยๆโดยอาศัยเหตุภายนอก เนี่ยมันไม่จบแต่เหตุภายในที่มันเป็นปฏิสุบัดก็คือชายคนนี้ในขณะขับรถออกไปความคิดว่าน้ําที่รถคันนั้นตีมาจากฝนตกหนักเนี่ยมันจะมากระทบอีกความคิดมันเกิดได้ใช่ไหมแต่ความคิดมันเกิดเมื่อก็เกิดการเกรงเกิดการระมัดระวังมากแต่ว่าไม่ได้แทนที่พอได้สติรู้ว่ารถคันนั้นสวนมามันจะพาน้ํามากระแทกถ้าแกหยุดเสซนเนี่ย ช่มถ้าได้สติหยุดลดไว้ก่อนชะลอลดไว้ก่อนว่ามันมาโดยเร็ ว, เ ร, ว, เ, รวเราชะลอรดไว้หรือหยุดเส้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดเหตุถ้าได้สติแต่เพราะขาดสติแล้วขับฝ่าสวนทางไปมันก็เกิดเหตุอย่างนั้นขึ้นนะเพราะนั้นเหตุปัจจัยสำคัญที่มันเกิ ด, ดรถแฉลบล้มขาหักเนี่ยก็เพราะว่าลืมสตินั่นเองและขาดปัญญาในการที่จ ะ, ะหยุดที่จะชะลอตัวเองและก็ขาดสติในการที่จะ หาทางอย่างไรที่จะออกมาจากตรงนั้นนะคือหมายเขาว่าหยุดก่อนหรือชะลอก่อนให้ได้แต่ว่าไม่มีสติตรงนั้นเมื่อขาดสติปับ๊บมันก็เป็นอวิชชาใช่ไหมพอวิชาก็เหตุปัจจัยทุกอย่างมากันหมดเลยนะขอให้เกิดนั่นเกิดนั้นมาเพราะฉะนั้นตัวอิทัพปะยะตาหมายถึงเราไปปาราบเหตุที่มันเกิดจากข้างนอกเพราะอันนั้นเพราะอันนั้นเป็นมัดคลื่น เป็นคลื่นตอกันไปสาวไปข้างนอกเรื่อยๆแต่ปฏิจจสุบาตนั้นก็จะมาวงเฉพาะตัวผู้ที่เกิดประสเหตุนั้นที่เกิดปัญหาตรงนั้นสาวลงไปในส่วนเกิดก็คือในส่วนทุกข์ที่มันเกิดปัญหาที่มันเกิดแต่ถ้าหากว่าเขามีสติซะปัญหานั้นก็ไม่เกิดมันก็เป็นปฏิสุบตัติฝ่ายดับปัญหาก็ไม่เกิดเนี่ยอันนั้นเอง ในลักษณะอย่างนี้ถ้าผู้ปฏิบัติเจริญสติเนี่ยจะเข้าใจอย่างไรนะจะเข้าใจอย่างไรในลักษณะนย่งนเงี้ยเราจะมีท่าทีต่อการใช้ทั้งส่วนที่เป็นปฏิจจสุบาทคือส่วนที่เหตุเกิดทุกข์และทั้งส่วนที่เป็นอิทธิประโยตาคือเกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยภายนอกเหตุปัจจัยภายนอกต่างๆเนี่ยเป็นชีวิตในส่วนสังคมนะ แต่เหตุปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองเนี่ยก็ต้องทำวิปัสนาเท่านั้นถ้าไม่มาทำวิปัสนาเราก็สาวหาเหตุว่าทำไมมันจะเกิดตัวนี้ไม่เจอเราก็จะไปโทษคนนน้นนนั้นไปเรื่อยๆนะทีนี้ไอ้วิธีอธิบายแบบตำราหรือภาษาเนี่ยมันเข้าใจกันยากเพราะนั้นโบราณท่านจึงไม่สอนแบบนี้โบราณท่านจึงอ่า เอานิทานมาเล่ามาเล่าประกอบให้เห็นภาพเคยเล่าหลายครั้งว่าระหว่างตัวเห็นสัตว์สงสองประเภทคือลูกออสกับเจคายจันเนี่ยถามว่าลูกออรู้จักลูกออดไม่ได้แก่เลยบ้านเขาเรีอกอยกว่ายังลูกออห่วก <laughs> ห่วกหน่อยนอะมันเป็นลูกกบันบอ เป็นยังไงมันต่างกันจกิจจันนี้มีใส่บ่บ่มีใส่หู่ห้วก้อยยังไงใส่เหมือนหลายเต็มเลยเขาก็บอกว่าสัตว์สองประเภทนี้ทําไมมันจึงมีเหตุว่าทําไมลูกหวกึงใส่ยิ่งเยอะแจกิจันไม่มีใส่เขาบอกว่ามันมีเหตุนะเขาก็เล่าทีเหตุก็คือว่าว่าหนึ่งนะฝนตกฟ้าร้อง ประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยนะนหนึ่งีสองทีนี้ตัวลูกฮวกเนี่ยพอสว่างขึ้นเนี่ยกลุ่มฮวกทั้งหลายนยสมัยนั้นไม่ได้ปมบรมกับเนี่ยผู้ที่เป็นใหญ่กว่าสัตว์ทั้งหลายก็เลยพระอีศวนว่งกันนะพระอีสวนเป็นเจ้าของสัตว์ทั้งหลายเมื่อว่าคนอมนุษย์เมื่ออุกออดหรือฮวกเนี่ย มันยกทัพพากันไปฟ้องพระอินทร์บอกว่าช้างเป็นสัตว์ใหญ่มาเหยียบพวกมันตายไปถอยเหยียบพวกมันตายในก่อนหนึ่งคืนเพราะฉะนั้นพระอินรต้องไปสอบสวนให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยว่า ง, งั้นทีพระอินทร์ก็เรียกสัตว์ต่างๆเรียกเรียกช้างมาก่อนว่าถามว่าช้างทําไมไปเหยียบอไอ้ลูกออดหรือห่วงในตายเยอะแยะเลยเนี่ยอ้าผมไม่มีเจตนาอ้าไม่มีเจตนาไปเหยียบเขาตายก็เพราะว่า เหตุเพราะมันก็มีลังมวดแดงลังหนึ่งตกเสียหลังแล้วเขาสะดุ้งมันกัดมันกัดหลังก็สะดุ้งก็เลยถอยไปเหยียบอ้าวเขาสืบตัวไปเอาทำไมมวดแดงไปกัดหลังช้างก็ไปเรียกมวดแดงมามวดแดงถอยไปกัดหลังช้างเนีก็พราะว่าในขณะที่นอนอยู่ดีๆเนี่ยมันมีไก่ป่าตัวหนึ่งมาเหยียบรังบินมาเหยียบรังแล้วแล้วพวกเราก็ตกเสียหลังช้างไอ้เขาปวดหลังช้างมีลางมวดแดงอยู่ใช่ไหมทีนี้ไอ้ไก่ตัวนี้มันบินมาแตะมาตกจับตรงนั้นพอดี ก็เรียกไก่ป่าตัวนั้นไปถามไปสอบสวนว่าไก่ป่าต้องไม่เยียดบังมดแดงอะ่ะเอาเขาเพราะว่าข้าพเจ้าเนี่ยนอนอยู่พุ่มไม้อยู่ดีๆเนี่ยประมาณดึกๆมีไอ้เก้งตัวหนึ่งวิ่งมาวิ่งมาชนต้นไม้พุ่มไม้ที่ข้าพเจ้านอนอยู่อา้าวเนี่ยไปจับเก้งมาว่าทําไมไปชนต้นไม้เก้งก็บอกว่าอา้าวข้าพเจ้าได้ยินเสียงจจ ก, กจันทร์ว่างั้นตามบุตรีตอนเช้ามาเนี่ยตื่นเช้ามาได้ยินเสียงแจ ก, กจันข้าพเจ้าก็ต้องวิ่งไปที่ต้นมะกอก เพราะไอ้เก่งเนี่ยมันกินมะกอกใช่ไหมพอได้ทุกเช้ามาเมื่อแจกรจันมาร้องเนี่ยเขากจะรีบวิ่งไปเพอเป็นงั้นถ้าไม่รีบวิ่งไปไอ้เก่งตัวอื่นก็จะไม่แย่งไปกินเสร็จแล้วก็เลยเรียกแจกรจันไปว่าแจกรจันว่าตอนนี้มันมันตีหนึ่งตีสองนะไม่ใช่หกโมงเช้าห่อยทาไมแกร้องอ่ะจจกระจันตอบไม่ได้ออทําไมร้องบอกว่าร้องลั่นป่าเลยนะเมื่อตอบไม่ได้จจกรจันก็ถูกลงโทษ ลงโทษ ย, ยังไงถูกควักไส้ทั้งหมดโดยพระอิศวรสาบว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่รู้กี่พบกี่ชาติกี่กกันพวกแกทั้งหลายเนี่ยเกิดมาชาติพบใดจะจะต้องถูกควักไส้ไปทดแทนให้กับพวกออรุออดหมดว่าเพราะนั้นออร์ก็เลยมีไส้ยเยอะทุกทาะพึ่งชาติไป จ, กกจ้ากระจันเลยไม่มีไส้เพรา ง, งาั้นพอถูกศาสา์จากพระอิสวรอันนี้คือนิทานโบราณ น, นะเขาบอกว่าอันนี้คือวิธีสอนบอกว่า การที่เจ้าขจันทร์มันร้องผิดเวลาอแทนที่จะร้องห้าโมงตีห้าหกโมงเช้าใช่ไหมมันไปร้องตีหนึ่งตีสองร้องผิดเวลาเมื่อร้องผิดเวลาปัญหามันเกิดที่ทาให้อะไร ใ, รใครเข้าใจผิดเก่งเข้าใจผิดเมื่อเก่งเข้าใจผิดจ ะ, จะวิ่งไปเพื่อที่จะไปกินมะกอก มันก็ยิงไปด้วยแรงนะโดยเร็วมันกลางคืนก็ไปชนต้นไม้พอชนไม้ไก่ก็ตกใจพอตกใจก็บินตเตลือไปเหยียบหลังมดแดงแล้วมดแดงก็ตกเสียหลังช้างช้างก็เลยสะดุง้งตื่นไปเหยียบลูกอ๊อดตายลูกอ๊อดก็เดือดร้อนตายไปเยอะแยะก็เลยสอบสวนท่านบอกว่าสมุทัยคืออะไรนี่ท่านสอนตรงนี้เหตุเกิดตรงไหนเหตุเกิดตรงที่เจคจันทร์มันร้องผิดเวลานั้นหมายความว่า ท่านเปรียบสเสมือนเจักระจันนั่นคือตัวสังขารมันอยากจะคิดตัวไหนมันก็คิดมันไม่รู้เวลาเวลาเป็นสมุทยัยใช่ไหมทีนี้ถ้าหากว่าเราจะเข้าใจว่าในเมื่อสังขารคือจ้กระจันมันร้องสังขารจึงไม่มีสาระในตัวเพราะมันถูกถอดออกไปแต่ตัวที่มันมีสาระในตัวคือตัววิสังขารอ่าวิสังขารคือหมายความว่าจิตไม่ปรุงแต่งเนี่ย มันถอดถูกถอดไปแล้วมันก็กลายเป็นสังขารคือตัวกายจันทเพราะตัววิสังขารมันไม่ปรุงหมายถึงตัวและไรไส้มนันนะนะแต่ตัวสังขารมันปรุงมันมันจะนึกขึ้นมาถึงไหนก็คิดเลยมันไม่เลือกเวลาเวลเหมือนเจ้ากายจันทร์พอมันร้องขึ้นมาไม่เลือกเวลาเวลาก็ทําให้คนอื่นเดือดร้อนทั่วไปหมดเลยเมื่อสังขารเกิดทําไมสังขารจึงเกิดเพราะอะไร เพราะอะไรเพราะจ้าข้าจันท์ตัวนั้นมันไม่รู้เวลาว่ามันเข้าใจผิดมันไม่ใช่หกโมงเช้าหรือตีห้ามันเป็นตีหนึ่งตีสองอยู่นะเพราะมันไม่รู้เนี่ยเขาจะสอนเขาว่าเราไม่รู้ตามความเป็นจริงนี่แหละคือผิดเวลานะคือล้องผิดเวลาอาวิชาก็ก่อให้เกิดสังขารสังขารก็เอานามาลูปเรื่อยไปแทนที่จะบอกว่า วิชาไปเกิสังขารสักกันท่านบอกเราเพราะจะกระจันมาล้องผิดเวลาพราะลองผิดเวลาทําให้ ก, กวางเข้าใจผิดเรื่อยไปอย่างเนี้ยแทนที่จะไปเอาตัวไอ้บัญญัติมาแทนซึ่งเป็นนามธรรมใช่ไหมแล้วถ้านก็สร้างนิทานขึ้นมาเนี้ยนี่คือวิธีการสอนของโบราณและที่ชัดไปอีงกว่านั้นก็คือมีนิทานเรื่องหนึ่งที่เรา อ, อ, อ่านกันสมัยต้นๆน่นะใครจำได้ไหมว่าปู่กับตาทำนาสองคน เราเลี้ยงหลานเล็กๆไว้นะเวลาเขาจ ะ, ะไปทำอะไรทำนาเขาก็บอกให้หลานเนี่ยดูแลอะไรถั่ว ง, งาให้จําได้มัง่งย้ายกับตาทํานาสองคนเลี้ยงหลานไว้ตอนเย็นกลับมาอบอกให้หลานรักษาถั่วทางงาเขาบอกว่าทุกวันเด็กก็เพลินก็ไปเล่นพอไปเล่นแล้วกลับมาบวาพวกไก่พวกกายกินงากินถั่วหมด ยายมาก็ดา่าตามาก็ตีทุกวันนะฮะใช่ไหมจาได้ไหมเฮะผู้เฒ่าผู้แก่ของเราต้องจำได้เรื่องนี้เน่ยาก็ตีเสร็จแล้วหลานก็เจ็บใจว่าถูกตีทุกวันนะเลยไปขอร้องใคร่อขอร้องนายพานมามายิงอยิงไก่ยิงกานแล้วนายพานไม่มาเป็นยังไงก็ไปขอร้องหนูใช่ไหมให้มากัดอสายธนูในพาน ทีนี้ไปขอร้องหนูหนูไม่มาทําไงไปขอร้องแมวมากัดหนูแมวไม่มากัดหนูไปขอร้องใครอีกอะขอร้องหมามากัดแมวหมาไม่มาอีกทําไงไปขอร้องเสือมากินหมาอ่ต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือวิธีการสอนของโบราณะว่า ถ้าหากว่าเราสอนกับลักษณะบนี้มันจะเข้าใจสายปฏิสุบบาทโดยภาษาที่เป็นสมมตินะฮะ <c oughs> นั้นเองในช่วงที่เราศึกษาเรื่องนี้ให้กลับมาถึงปัจจุบันเสมอภาษาที่เป็นสมตญญตมติบัญญัติก็ดีปรมัาบัญญัติก็ดีเนี่ยมันคนละเรื่องกันแต่ว่ามันมาจากเหตุผลซึ่งกันและกันเป็นเหตุของกันและกันเอามาเปรียบเทียบ ว, ว่าอย่างเม็ดมะขามกับฝรั่มะขามเนี่ย คนละรูปลักษณะเลยแต่มันก็มาจากที่เดียวกันนะเม็ดมะขามมันเม็ดสีดําๆแต่ว่าต้นมะขามทั้งต้นทั้งรสทั้งสีทั้งกลิน่นไม่เหมือนเม็ดสักอย่างเลยแต่ว่ามันก็ออกมาจากที่เดียวกันเพราะนั้นตัวประมัดคือตัวสภาวะเนี่ยเหมือ น, นเมล็ดมะขามนั่นแหละแต่ตัวสมมุติทั้งหมดก็คือตัวต้นมะขามลูกมะขามเม็ดมะขามใบมะขามกลีบมะขามไปมากมายอันนี้คนเราจึงหลงไปหลงสมมติอ่ะ โดยที่กลับมาสู่ปรมาทไม่ได้จนกระทั่งเรามาเจริญสตินะเมื่อมาเจริญสติแล้วเราก็จะเห็นตัวสภาวะคือรูปคือนามคือกายคือใจของเราให้ชัดไว้เสมอเมื่อเห็นสภาวะตรงนี้ไม่ชัดแล้วเนี่ยเราก็จะลำดับนะลำดับสิ่งที่เกิดมากับกายกับใจของเราเนี่ยมาจากอะไร นะคําว่าชัดในที่นี้หมายถึงว่าเราจะต้องมาดูสภาวะที่เป็นปัจจุบันดูรูปดูนามดูกายดูใจให้ชัดเมื่อดูกายดูใจใชัดเอาตัวอะไรมาดูก็เอาตัวสติสมาธิปัญญาแล้วสมมุติตัวสติสมาธิปัญญานี่ยเป็นธรรมจักษุหรือเป็นดวงตาธรรมนะทีนี้เวลาเราไปทําเนี่ยทำไมมันจิงยากก็เพราะเรามีความอยากเป็นพื้นฐาน อยากจะเห็นอยากจะรู้อยากจะเข้าใจอยากจะเป็นอย่างที่ที่เขาว่าอันนี้เป็นความอยากนะแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าสภาวะที่เรากำลังทำเนี่ยมันมีอยู่แต่เราจะต้องทำให้มันปรากฏนะเส้นภาวะที่ปกติได้มีอยู่ในใจของเราเนี่ยมันมีปกติอยู่ไอตัวปกติเนี่ยมันจะเป็นภาวะที่เย็น หรือร้อนหรือหนาวหรือสุขหรือทุกข์มันไม่ใช่ทั้งนั้นนะแต่ว่าภาวะที่ปรากฏกับกายกับใจบางครั้งมันร้อนบางครั้งมันหนาวบางครั้งมันเย็นทางกายใช่ไหมจิตของเราบางครั้งดีบางครั้งไม่ดีบางครั้งคิดบางครั้งไม่คิดแต่ตัวปกติคือตัวรู้เนี่ยนะที่เรารู้ว่าเย็นว่าร้อนว่าหนาวปรากฏเนี่ยเพราะมันมีภาวะที่ปกติอยู่และภาวะที่ปกติแล้วก็จะเห็นมันให้ชัดเมื่อเห็นมันชัดแล้วถามว่า ตัวทุกขเวทนาต่างๆมีไหมก็มีมีด้วยกันแต่ว่าจิตเราเข้าไปแยกอ๋อภาวะที่สุขทุกขเป็นอย่างนี้เพราะจิตของเราที่ปกติมันไม่เข้าไปร่วมเพราะนั้นคำว่าทำให้แจ้งหรือทำให้ชัดเนี่ยหมายความว่าแยกตัวรู้สึกปกติมาอยู่กับตัวรู้ซึ่งภาวะอันเนี้ยถ้าหากว่าเราแยกออกเนี่ยเราก็จะไม่กลัวทุกขเราก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่ติดสุข ไม่กลัวทุกแต่สามารถอยู่กับทุกได้อย่างสบายสามารถอยู่กับสุขได้โดยไม่หลงนะดังนั้นจุดนี้ถ้าหากว่าเราศึกษาปฏิบัตินะก็พยายามลำดับอยู่เสมอโดยอาศัยสุข ท, ทุกที่เกิดนะอย่างหน้าหนาวเนี่ยเราก็หนาวถ้าหากเรากลัวหนาวเราก็จะไอตัวทุกขเวทนาทางกายคือความเย็นมันเข้าไปบีบคั้นจิตถ้าหน้าร้อนเรากลัวร้อน ไอ้ตัวร้อนที่บีบคั้นร่างกายของเรามันก็จะไปบีบจิตด้วยจิตขเข้าแล้วเกิดการแปรปลวนผิดปกติเมื่อจิตแปรปรวนผิดปกติกายวา่าจาใจของเราก็ผิดปกติไปด้วยนะดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงอยากจะให้ทำตามลาดับนะโดยที่ไม่ต้องไปยากทำให้สบายสบายโดยที่เห็นอาการกายอาการจิตของเราเนี่ยให้ชัดไว้เสมอนะ ดังนั้นเองในวันนี้ในช่วงเย็นเนี่ยเอามาถึงให้ฟังอาจารย์สุภีว่าแต่ทุกคนฟังเข้าใจใช่ไหมฟังแล้วเข้าใจนะแจ่มแจ้งนะอันนี้คือลักษณะของสมาสติเราจะฟังใครพูดก็าตามที่ฟังแล้วเข้าใจก็เราก็พยายามไตรตรองเห็นความจริงเมื่อไตรตรองเห็นความจริงแล้วเราก็เอาไปทําดูไอ้ทําแล้วมันเป็น บางครั้งมันไม่เป็นนี่เราก็จะไปสงสัยแต่กลับมาสู่ตัวปกติของเราคือรูปกับนามแต่ตัวรูปกับนามอันนี้ถ้าหากว่าเราสร้างอิมเมจสร้างจินตนาการขึ้นมารูปเป็นอย่างนี้นามเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นอันนั้นเป็นโดยสัญญาแต่รูปกับนามตัวนี้ปรากฏขึ้นมาโดยอาศัยตัวเวทนาเป็นตัวปรากฏเนะย็นร้อนอ่อนแข็งเค่งตึง หรือสบายไม่สบายดูเข้ามาที่เวทนาแต่จะไปสร้างตัวรูปคือผมขนเล็บฟันหนังอาการสามสองเนี่ยเป็นรูปอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นสัญญาเป็นสมถาแต่ถ้าหากว่าเป็นรูปนามที่เป็นวิปัสนาโดยอาศัยเวทนาที่เกิดขึ้นขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นตัวตั้งแล้วเข้าไปเห็นเวทนาตัวนี้ชัด นะเวทนาทุนี้มันมีสูงมีมีมีแรงมีหนักมีเบ า, เามีอ่อนมีแข็งมีแรง ม, มีหนักมีหน่วงเนี่ยดูอยู่ตรงนั้นซึ่งถ้าหากว่าเรายังไม่ชัดหรือว่ายังไม่เห็นเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสับสนเมื่อสับสนแล้วมันก็รู้สึกไม่เข้าใจเบื่อนะ ฉันั้นการยกมือสร้างจังหวะโดยวิธีการของโลวะเทียนเนี่ยมาถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายและเบาสบายนะเรือกเป็นภาวะที่เราทำได้ตลอดเวลาโดยที่อยู่ที่ไหนอยู่กับใครนะแล้วก็ทำเมื่อไหรก่ก็รู้เมื่อนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองไทยของเราเนี่ยมีครูบาอาจารย์เยอะแยะ ผู้ที่รู้เรื่องนี้ผู้ที่บรรยายเรื่องนี้แต่ว่าความหมายและสาระต่างๆก็แตกต่างกันไปนะดังนั้นในช่วงของการฟังนะถ้าอาจารย์สุภีพูดก็ดีในช่วงเช้าช่วงเย็ยนที่มานำมาบรรยายก็ดีก็อย่าไปคิดสับสนปรุงแต่งค่อยๆทาความเข้าใจไปนะเพราะฉะนั้นในช่วงวันนี้เราก็ ได้ปฏิบัติมาทั้งวันใ น, นช่วงเย็นมาก็เฉพาะเย็นวันนี้ก็ได้ทําโยคะด้วยบางคนก็มาร่วมไม่ทั น, นถ้าหากว่าทําช่วงเช้าวเวลาไม่พอก็ทําช่วงเย็นเพราะว่าหลังจากทําเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำํำก็จะทําให้เราสบายกายดะงนั้นในช่วงเย็นวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่เราได้ทํากิจกรรมมาทั้ง ธรรมวัดเย็ น, นฟังจากที่อาจารย์สุพีแล้วก็ขยายความเรื่องของจิตนะก็ขอให้ความตั้งใจอันนี้จงเข้มแข็งสามารถที่เจาะแทงทะลุถึงมรรคผลนิพพานด้วยการทุกคนทุกท่านเถิ